เดียวก็เป็นมีเจ้าของมาใส่ศาสตร์ใส่กรรมเป็นนักทัศนาจรทัศนาจรร่นเยี่ยนมหาความกเกิดแก่เกิดตายวาตาสงสารมาลายศาสตร์เราพบแล้วเนื่องไปเ่ราะท่านไดไม่ขาแค้ น, นดยเหตุจัิสัจเจริญสังข์ธรรมบุญหลีดดวงกับวันเวลา เพื่อชีวิตหนึ่งหายใจเขาแล้วบว อ, ออกตะตกใต้วันหนึ่งคึืนนึงข้ากับขาดเขน่ซื้อหนึ่ ง, อ, ง อ, อ, อ, อื่นกลายหมือยอื่นท่านรับพมุงมซื้ อ, อบางที่ก็ได้สมประสงบ่าสมประสงบ่าเพราะบอสามะจต่าง่าน ใ, นให้อยู่ในกำมือไรมดชุอัน เชียงบุนเชียงกำยู่เป็นวันวันหายใจเขากับเชียงบุญเชียงกำผดบลบออกกับเชียงบุนเชียงกำนันเป็นเชียงยูในตัวนอกจากจะยูไปได้จะวิหน้าที่อันควรสิสิลุ่มป่านหน่มองหามาเห็นพวกตายมาเนีต ต่างๆนะศ า, าสตร์กรบูะเข้าสารอันใดไหวต่ออันใดมองกัมองมองหาบ่าเห็นต่งต า, ตายตายจริงมีผู้เรืออยู่จะคนชัดทั้งหลายที่มีวินญาณคองสิงอยู่ในไตดวงกระถาที่ติงเป็นนึกเป็นคิดเป็นเกิดด้วยแ่อำ น, นาจความเกิดแก่เก็บตายทั้งนั้น เป็นนักทัศนาจดท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารท่องเที่ยวอยู่ในกรมหล ก, โลกโลงโค ก, กูรมหลวงสุข้องเพราะยังมาท่านในผนไปได้เ ม, ม, มือมาหลวโคกุล้งมดแล้วผมได้มาท่องเที่ยวอีกผมมาคือเขาราีบไปแถวตะวนันไซมันกับพกเกิดมันจบกบเสียณแล้ว พระอรหันต์เจ้าคนจบ เ, นนมมเกษียณเนี่ยคนมั่งมั่เกิดแก่เก็บตายเดี๋ยวว่าจบเกษียณในทางพระประมาจารย์งูเห่าเ ป, เ, ปเป็นมีเกิดเป็นมีแก่เป็นมีเจ็บเป็นมีตายเ ป, เป็นมีโรเป็นมีปูดเป็นมีหลงจะคล้องยูปจึงมาใส่กรรมใส่ศาสต์ใส่กรรมเดียวว่าเกิดว่าพัฒนาจะคล้องเกิดมาใส่ศัสต์ใส่กรรมจะคล้อง และแวกข้างทำกุศลพลบุญนำมังมินังใส่กำนอนใส่กำยื่เสื้อปีนเกลียวออกมาเห็ดเพื่อจักบ่บหยากมาทองเที่ยวในวัตตาสงสารอันนี้อีกวัตตาสงสารอันนี้หมออมังตากับมังมินทีหนองเขาใช้ น่องบึงหงู ก, กับบึงพีนองเข้าซะพีนองโั่ข้าวน้องบงจมูกกับบึงพีนองเข้าป็นพีนองโั่ข้าวก็มาโซ่ข้าวซิงโมนิต่อสีพัดถาจากหลงพญายิตตลาดไปก่อนพญายิตตลาดต่อสีอยู่ทางหลังแตบสลายออกหนีไปก่อน บัตของพญาชิตตลาดก็มีนังหุ่มอยู่โดยรอบเพื่อนของพญาจิตตลาดขาแอบเพื่อนของพญาชิตตลาดก็มีเนื้อไม่นังไม่หางกระดูกเป็นไม่เส้นไม่ขาสองขาเป็นเสานี่ผมโป๊กหัวเป็นเครื่องมุ้ง เสีย ย, ยูยืนยันยูนัาพยาคิตตลาดไปอีกได้เท่าไรสิงมูนี่ก็ไ่ได้ยืนยันนี่เจพญายคิตตลาดท่านเป็นผู้สมัครเอาสิงมูนีมาเป็นสมบัติพัชฐานของโตเจสิ่งลนี้บ่าวาสียอยู่ในอำนาจวัฒนาของพญายิตตลาดนีนะที่แตกก็แตนีนที่สลายก็สลายพญายคิตตลาดต้อง จางมันอยู่นําเหี้วเข่ามันรูดซึ่งเหี้ยวเข่าเข่าให้มันกินมันมาเป็นโทษมันรูดมันส่วนนางมันเมยมันอิสมันเมือย์น่งให้มันพยาัญจตลละมันถูกขับอุปมาคือรถสะกดในร่างกายนี่จะพยัญาัลละจัลละเมื่อจะขับให้มันตกเหี้ว จะรับไปสู้ควจริล่นจำซามันไปได้จาซามันว่าสงรดจซาาหันยยกเครื่องยกเครื่องสองเท้าอามเท้อกับนันาเพ่ฮาถิมละอุปมาคือลดเมื่อจะขับไปสู้ท่างบาปอุมาคือเมื่อจะขับให้มันตกทองหลอกเมื่อจะขับไปนันส้น้นเมื่อจะขับไป ตกลมนะครับไปในถนนดีๆถนนลาดยางไปง่งามๆมันเกียกร์ก็ได้ก็ในที่กันพ่อช้า ง, า, อ า, า, า, างน่าช่าบุญอุปมาพญากิจตลาดขับรถไปทั้งดีเพื่อจะเข่าสู่งภายในผ่านกุศลวนพ้นบุญเต็มแล้วมูอเฮากระยูบ ไ, ได เทาละบาป พ, พ่อแล้วสร้างบุญพ่อแล้วมูฮั่นก็เข้าขสู้กันในท่านก็เลยไมาเคยแก้เก็บใจไว้ในมาใส่หนี้ใส่สินเจ้าของเดี๋ยวนี้เป็นนี้เป็นสินข่มหลกข่มกกงข่มหลงเจ้าของลูงงลจงลังว่ามีศาลให้ท่านนี่นะกิจตลาดบังคับในสกลละกายสกุลละว่าจ่าทาท่าน บางครับไปสกุลละไกยสกุและว่าจ่าถึงผู้รักษาศีลถึงผู้ภาว น, น้าพออยาลดตกล่างอย่นลดตกทลงล่องผ่นผ้าไปทังพิษมันก็ตกทองล่องโลดมันก็เป็นเหตุเป็นอุปสรรคโลดนะครับไปสู้ทั้งดี ต่างกุศลชิ้นท่านทํำดีนี่ไม่ใช่ถ้ำแข็งกับไพรถ้ำแข็งกับกิเลตก็โค้งหลงของเฮาเฮาจิปล่อยห้แตจกิเลตมาเป็นเจ้าเพือนจิตปล่อยต่ค้มหลงมาเป็นเจ้าเพือนของกิตของไก่มาหูมมออยู่หูอยู่เมืองกิจตราดนี่ห ล, ลงโค้งปวดโค้งหลงออมเมืองกิจตลาดอยู่นี่ยถ้ยายากิจตลาดก็่ากาสามารถส ถ้ากายถ้าไหวจะสังคุศลผลบุญได้เห็นทั้งสัตว์ทั้งผือออกท้องออกทั้งไรมันหนีเมือ่อจะแข็งมาเป็นเจ้าโลกโกรธงก็เพราะจะแข็ง ม, มาหุ่มหัวใจอยาะไรมันหนีควาโง่มันบ่ายมันเมืองมันอยวหนี้เด็กเอาตะคว่มดีไว้ใช้คิดใช้ใจ นั่ลึกมากย่มไรก็เป็นที่สบายสัควมสัวมาห่มจิตห่มใจเนี่ยนั่งลึกมากย่มไรกับมิตรข่วมผ่อนใจหวามบนเป็นที่สบายห้องคิดพอใจไม่ใช่จิตตนาดตอกเพิ่มเจกคล้องทเท่ากระโตลูกเขยกระโต ลูกไผ่ก็โตลูกสาวก็โตท้ำบุญเนี่ยถ้ระญายิปตรหลาดพญายิตราดเป็นผู้ทำพญายิตะหลาดว่าถ้ำเอาใส่ใย้ำค้อมดีก็ดีค้อมซัวก็ดีข้อมซเปญาิตราดถ้ใส่จะคล้องขมดีกับมันญายิปตรหลาดถ้ำใส่จะคล้องข้อมหลุดข้มกลัวขมหลงก็คือกั้น เมือญาตินนตลาดต้องมีงานย่างเต็มทีเพราะงานมาทันแล้วน่อมเป็นผู้มาทองที่อยวในวัฏตาสงสารอยู่มาเฝ้าบันห่างต่างจบเหมือนห่างต่างจบคือยังสกุลละกายข้แกคข้เก็บค้ตายอุปมาคือบันห่า ง, า ง, จ, าง จ, จากจบสังซ่อไดจะเทือ่อ มาพบได้ศาสตร์ได้ผาสะกลละกายมาสางบาทสางเงื่อนปุ๊กเงื่อนลังไดอยู่กับบะมันบะเจียงไม่แต่ลังแตกหลังสลายไปนี่จะพยายิ้ตลาดงอเขาเขาไม่ได้งอตาหูจมูกกลิ่มกายไม่ได้งอพยายิ้ตลาดพยายิ้ตลาดแต่งงอผู้เดียวถึงย่างนั่นนเ่ยังบุยตามคนประสองค์อยู่ พญาจิตตาดบบประสงค์อยางให้แกดอกทิ้งโมนิแกไปเก็บไปแกมต่อปั้นฮักสิห น, นังอ่อนเป็นยนเป็นเกลียวตากระเมา่มเห็นหงูหูบกไปได้เย็นเท่ามาแกนกระต่อปั้นกระฮักมาท่องเที่ยวนในวัดตาสงสารพยากิตตลาดต้องนึกเบื่อนึกนายนึกไายนึกเมาค้อมหลงจะของ บนซุกมี่ทนบ่มี่บ่เด ม, มีแต่บ่เดมีอยู่ในมนุษย์โลกบ่เดมีอยู่ในสวรรค์โลกบ่มีอยู่ในเทวโลกนี่จะกองทุกทั้งนั้นจะ <c oughs> เกิดเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาสัน้นเวยอันนี้สมศรีทานหน่อยๆ ห, หรือหลายก็ดีแตมีอายุยืนก็อยู่ในมนุษย์อีกเมด อ, อายุไขก็จะล่องมาสางอีก เทวดาองค์ไหเทวบทองค์ไหนสืบลงในมนุษย์โลกมีบุปผนิมิตหลายประการดอกไม้ที่ตนทัดท่องหรือดมก็เสาหมองเสียวิมานทั้งหลายที่โตขึอยู่ก็แข้งกระด้างเมื่อไข้กระไรออกจากรักแร กาโยตุวนโนสีวันนะของเทวบุตรเทวดากะเสาหมอ้องเทวดาเทวบุตรเทวดาองค์นั้นเป็นยังสัน้นจะได้ลงมาเกิดในมนุษย์โลกถ้าผลของกรรมเกา่ายังเศษอยู่ค่ะบางคนน่ยมาเกิดมนุษย์โลกจะได้เป็นหุ่งเป็นแหงเป็นเต่าเป็ น, ปนงูเป็นมา้าเป็นพ่นหัวหนวกตาบอดนักสัตว์กมีเลยเป็นเทวบุตรลยลูกปติตาเทวบุตรเนี่ย จตายในวันทวนเจ็ดคนศีลสนาควบความโง่โอนายนี่เทศทีงไหนเ น, นาะศีลสนะใดเพาะั้นจึงไปถามกับพระญาอินญาอินมาเวียนไหวแต่พนะูเจ้าอง์เดียวเพราฉะันเดี๋ยวนี้พยูเหตเอาม่านดาวของพอยูสั่นดาวบดึง จงประกาศพูดถามเพื่อนนเถินอะจ๊ท่น <c oughs> ทานตายเนี่ยจะได้เป็นหุ่งเป็นแห่งเป็นเต้าเป็นหมูเป็นม้เนมาเป็นคนหุ่นบวาบอดเนีย่ยละหาหอยสาสตร์หอยสายสตร์คนล่งจากเที่ยวบุตรลงมาเย <c oughs> าลยจะพองมาเกิด เขาไม่ยังเป็นโลกขีอยู่ว่าท่านเป็นโลค ก, กุตระยังว่าท่านถึงพระสวัสดาวันกรรมอันใดนาะเขาน่อยไหมท่นเทวบุตรตัวนี้จึงได้เป็นนังสัตว์แต่ศาสตร์กรเทวบุตรองค์นี้่าที่เป็นคนซาบอสหาความศาสตร์ทิดกัน เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ไปบินทบาทมัน hmm. ก mm. ็ทําบมหูเบรเห็นนะสัตว์ทำเพราะเอาใจใส่เมื่อพระเจ้าพระสงฆ์ละกายไปแล้วมันกรบโบออกมาจากหนกเพื่อนนะสัตวลขนคำอันนั้นจึงจะไดแต่เป็นคนตาบอดหาหอยศาสตรเป็นคนหูหลวกได้โดยกำเนองไหนขน้อยนะสัตวแต่ศาสตร์กรวันนั้น ก, ก้อนพบก้อนผลเขาไปในมัดเนี่ยว่ามจะไปสร้งธรรมเทศนาพ่อไปทอดแล้ก็ไปจ่าเรื่องบั่นเรื่องเมืองให้กบให้เกือนธรรมเทศนาของเพิ่นเจ้ากระสนันเลยจะเป็นคนหูนวลหาวาซาดทิ้ตติกันเชื่อเป็นหมูเป็นหม้าเป็นเป็ด เ, เป็นไก่ น, นี่เป็นยังไง เกสตรกรเพ่ยได้เอาไข่นกกระดูกนกในพัดผ่ า, ผาจากแม่แห้งเขาเพาะฉั้นเพื่อได้เป็นคนตาบอดหนึงก็ไม่อีกร้ายประการเะฉะประการหนึ่งตุลกเอาเนตาสร้างตาซิ่งของนักว่าของเบาของเบาว่ข า, ข อ, าของนักเพราะฉะั้นอันนี้ก็เป็นเหตุต า, ตาบอดอันนึง่งที่อาวุธผู้นี้จะตามเวลาแล้วเพาะั้น ส่วนที่ผ้าให้เป็นอันมณียังมีอีกหลายแนวโ ย, ย่เคยได้ไปเป็นผ่านเนือ้อตะปอน่นเคยได้ทํำป่าหน้าเตี้บาดย่บขาจักเกียราัตยเคยได้แง่ให้แง่น้าแ่หัวแง่สวนเขามาัเิเป็นคนตาบอดหรือคนหูหนวกมมนมีอะไรอ่านสมทบกันาั ตลอดทั้งเคยได้เอาไข่นกและลูกนกให้พัดผกักจากแม่ห้อยเขามาสั่นเป็นหน้าผ่านเนือ้อขานเนือนเน้อบืวปลาโยบ่ค่อยคลาดมาสั่นกุศลกรรมอันใดสั่นทังอะไรมาเกิดเป็นสุ ป, ปติธิตาเทาวุสั น, นโอ้พ่อใกล้จะตายเล่เหลือลึกของกุศลผลบุญของโตที่ได้สั่งมาเนอมาสั่น พอระลึกยวงสันก็เลยสิ้นล่มหายใจเรื่องนีไ้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเมื่อเสวยบุญเมือผลบุญแล้วเกิดเสื่อมว่าส้งลงมาใส่ซาบส้มนี่ยู่ว่าสันค ว, ว, ว่มคิ้วเ่ราะได้สันสั้งรับพวก่ในวัตาฏสงสารอันนี้ เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายเทวโมโลกมูเฮาเคยไปแล้วพุทมโลกมูเฮาก็เคยไปหมดแล้วว่ามันศาสตรหนึ่งก็ต้องศาตร์หนึ่งเพราะอันนี้ก็ซาสังสารนรกมูเฮาก็ค่อยไปแล้วมูเฮาผลจากนรกจังเดียมาเกิดเป็นมนุษย์จังเดีเกิดมาเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็เได้ไปเทวโลกก็เคยได้ไปเคยได้เป็นสัดจีรชานก็เคยได้เป็ น, า น, ปนสารพัดวัดเกวียงพระพุทธเจา้าพลังบรรยัตพลังเทว่าท่านทั้งหลายเหลือบังหนาาง้าบังตาผู้ไร้ก็ดีผู้นี้ไม่อยเป็นพอผู้นี้ไม่เคยเป็นเมผู้นี้ไม่เคยเป็นไอผู้นี้ไม่เคยเป็นไส้ผู้นี้ไม่เคยเป็นนองยิง้งนองสาว พวกนี้เ่คยเป็นผูทวดยาทวดตาทวดหน่ายท ว, วดปูยาตาห่ายพ่อเมอาปาลุ่งหรือหนองนุ่งหรือพีหักพี่เขยไปหาในไตโรกธาตุนยหายากเพรมันเามนศาตร์หนึ่งกับศาตร์หนึ่งไม่ใช่พันว่าโอ้เจาะทองอที่ทออกมาในวัดตาสงสารอันนี้น่ำหูน่ำตาของพวกสั่นทั้งร้ายน่ย ทองที่วในวัตจสองสารอันนี้ออกทีระเด็กละน้อยขันทอ้อนไว้มืดห่ในกศิมหาสมุทรพระหุอันตรธานไปนนกระดูกขวบ ท, ทั้งร้ายนับทั้งเป็นกระดูกคน้นนับทั้งสะอเป็นกระดูกซัดเจ็บไหวหายมันหายไปใส สมมุดเจ็บไหวได้ไงก็พู้เขาสีนโลาดแพ็นดินแต่ละคนละค้นการทองเที่ยวในวัตาสองสารเป็นของลาบากลำบนอุปมาคือท่องเที่ยวอยู่ในหลุมทานเพิ่งเพิ่งแก่เพิ่งเก็บเพิ่งตายพว่ปปาถนามะไรสมหวังเครื่องบะหมันบะเทียงเกิดขึ้นแนีแปรควนแต่สลายอยู่ซํานั่น จงภากัรพีเจหน้าให้เป็นถ้ำช้างเวททีเจหน้าให้เป็นถ้ำเบือนายเพื่อจักไหลค า, ายเมาเพื่อจักบื่หลงหลงเหลิองเจอือเกินไปบ่หลงกายสินกายธรรมจักสิง่งดีในสินในธรรมจักสิ่งใดหลีบที่บัตดเพื่อให้เบือ่อให้หนายในวัฏสงสารของเจ้าเพุ่ธวัฒ สสังเวชสารจิตม <c oughs> ุคคลที่เห็นแล้วเมื่อท่านเห็นกันจักเถื่อบ่อยเห็นหนัน่นและลึงและแก่นกันมันเป็นเพราะเหตุใดคระองค์เจ้า่าพวมนี้ค่อยจเยกเิดมาต้องกัน ร, ร้ายศาสตร์ร้ายภพค่อยจอ ย, ยุไก่ชีตกัน เคยได้อาศัยพึ่งผ้า อ, อาศัยกันนิสัยอนันติตมาพอเห็นกัน ก, ก็เลยกขุนเลยเสื่องก็มีเรยเขารบนกถือก็มี่ซึ่งหนึ่งพอเห็นกันเคยได้สร้งางัเพราะเคยเป็นเเป็นไพกกันมาพระเจาา้าอังิจพกอกอนการท่องเที่ยวในวัดจาท้งศารนี่ มันเป็นเรื่องเล็กน้อยทันทั้งร้ายเอ้ยเป็นเรื่องทุกข์ว่าทุกข์ร้ายจนทุกข์มันทุกข์จนสิ้นมูอห้าก็เลยถือเป็นข้อธรรมดาเมื่อหนเป็นธรรมดาทุกข์ว่ามันธรรมดาสุขจงพี่เจ้าให้เกิดความสังเวชสลดจิตจิตใจจักเอื้อมละอาในี่ยตาสองสารไปทีลระเลียหน่อย เมือ่อคิดใจเอื้อมละอาในวัดท้สงสาลละอาในความเกิดแก่เก็บตายแลย้วจักละอาแบบเย็นเย็นแบบแยกข่ายากิเลสตัณหาความหลงเข้ากดเข้มลงกติยุทธย้อนพ่ลงแตสศิวัตวีขึ้นบคุณทวีแต่พระพุทธธรพรพมพระสงค์กติยุทในหันละและกายเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาคิตใจเป็นยังสั่ง แก้ปัญหาเจา้าของม่ท่านต๊ะจึงเนี่มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเ่เป็นเป็นน้ำไผเป็นน้ำโตเป็นน้ำกลมัโต้อจึงแก้กรรมตัดกรรมตัดเวรผุน อ, ร ห, ตตอรหัตตะมักอัตระหัสตะผลมาปรากฏพุทธันท์ทั้งหลาย ย, ลาาลา ย, ยังตัดกรรมตัดเวรได้เนี่ยนี่ทันทั้งหลายยังตัดยังมาท่านไหนดอกตัดอันนึ่งฝันอันนึ ง, นนนงมันมาล้มลุ่มยุ่ง ย, ย, ยุ่ยโย ท่านเท่าจึงได้สร้างไห ว, ว้วาให้เวนจาคาสั์รักทรัพประพุชิิน่กามจงให้มีสินหาประจำบุคคลผู้มีสินหาประจำแล้วยืนเดินนั่งนอ น, น่งตายขวมตายแข้งกระดามตายหงต า, ยหาตายฮาตายอยกปาตกของใหม่ควายสวนกระสางสินชีวิตมือใด้กระต่องไปเทวโลกคนวางฉัน ตามก่อนนั้นลงมาบันนีนอนเพราะมันหลายบางที่บางที่ไก่สีตายมันระลึกถึงกุศลพ้บุญโตก็แต่ไปสวรรค์บ้างบางที่เพราไรระลึกถึงกุศลพ้นบุญองโตมันบรนดาลเรื่ซะเพราะมันบพราะเหตุไหลมันกับเพส่วนให้นึกเป็นวางสัตวมันก็ได้ไปทุกขติขันไปตกวารหกนี่ก็นับ แทนปีล้านปีในมรหกรอยมือรอ ย, รอยขึ้นในมนุษย์โลกจงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในมรรหกยางต่ำๆยางสูงหลายก้อนนั่นขันทั้งหลายจงรีบสร้างกุศลพลบุญเนื้อมาเถิดจะหามันเสียใจภายหลังสั์ทั้งหลายที่อยู่ในนรกมัน ห้องขอจาย้มพิบาลโอ้ยอยู่ในมนุษย์โดกผู้ขาสิเคลาศิลาบดอกผู้ขาขอออกไปแน่ไม่ใช่ผู้ขาศิษย์สางนาท่าบุญสิวประมาดไม่ใช่โอ้ยไปเมื่อไรล่ะขอเมื่อไรล่ะคอยเก็บากว่ า, า, ม, ามาอยู่นี่มาเปจาย้มพิบาล กรของข่อยพามาซื้อว่าข่อยขามาสู่กรรมข่อยเจ้ากามาสู่กรรมเจ้ามานค้นจุมาตามกรามของพายของมันถ้ากรรมของข่อยหังเบาก็ข้องเจ้านี่คนของกรรานะมรหกมันม่ยพูดได้สามฝืนมันมูเฮ้าสร้างไว้มันบรรดาลเกิดเองโดยกรรของเฮ้าไปคนของกรของเฮ้าเฮ้าเลยสร้างบาปไว้เฮาจังไลยมาเป็นจ้ามรรคเฮาก็จะ เข้ากับวัชมะดอกแต่ำจําเป็นต้องไหนมากมาสักอยู่ในมนุษย์โลกเข้าเป็นคนบริ่ารซัดดอกเห็นเขาขาเข้าคงดีใจเลข้าว่าด้เป็นคนรักทรัพย์ดอกเห็นเขาลักเข้าสนยินดีน้าเขามาสันเขาว่าเป็นคนตัวพืชพิษใน่กามดอกเขาบ่าปวดมุสา บ, บรื้มซุล่าดอกแต่เขาเห็ดเห็นเขาเห็ดเข้าห้องอุปโภคทนาน้ำเขาแ ด, ด่มาสัก จิืน่นน้ำเขาวะสัแอบจินน้ำเขาทางด้านจิตใจวสัผลของกรรมอันั้นจึงมาให้เป็นหนายยมการอุมพิบาลเนี่ยมาคุ้มเจ้าพี่น้องเนี่ก็ห่อนเฮงสิตายดอกวะสันจกนักรพรรดสิเ ด, ดวิดก็ยังสิโดนอยู่วัส น, นี่มันเป็นนี่สมันมาตามกรรมของพายของมั่นได้ใ่ปตีได้วะั เพราะมูห้อส่างไหวเน่ยมันจังไหมากนะจะเหตุทังสั่นชิ้นหาที่พระ อ, องค์เจ้ามันยัดไหวเป็นของมีราคาเป็นของสูงเป็นของสูงของลักปราชญ์ได้หั่นโก่งกันขามผู้บยิญดีกต่ว่าเป็นของตำว่าเป็นของสมุนไพ่นะ่ะว่าเป็นของเฟอนะ้อ ภูเขารลภนับถือเสือ้อคํำสอนพระพุทธเจ้าแล้วกัอยากสนใจสนุกตกใจแล้วอยากพิชโตออกลสิ่งไหที่พ่อแก้ไขได้แต่แก้ไขล่ะท่าเขาโลดเมื่อจะเกิดเมืเบียดเบียนจะคลองเด้เมื่อแก้ไขแต่ยังหน่อยก็โซเป็นเข่ามากใครแก้ไขได้ก็กไขอยู่แต่ก็สิเถ่าซ้าไหนแต่ก็สิอยู่ซําไหนสี่วี บัวนเน่นอนตี่ขันกอมันขังข้างร้ายยาสุนอนใจเน้อหนีบสามขุนสนพ้นบุญเดี๋ยวเสียใจพ่ายลั ง, ยงพระพุทธเจ้าตามสถิติกำลังของโตเหตุจิงสัตว์มูเฮ้าจิงพ้ากันพะ ย, าย่าหญ้ตามสถิติกำลังของัยของมันนั่นแหะจังวะถิ่มวัฟ้าพระเสือคำสอนพระพุทธเจ้า หเหตุเหตุผลในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบุคคยตัวหลกจ้าเทือกโม่ในนีแต่้าองเดียวลวงเปลี่ยวเขมา ก, ก็ไม่เห็นไม่ค่าในสมหาสมุทรพดถืว่าทางนาก็คือกัน <c oughs> พระพุทธเจ้ามาสอนถ้ำอันเดียวกันเหมือ่ถ้คนละอ่านบม่ในามาคัดค้านกันพระพุทธเจ้าโอ้ทอดข้อดมหลดบ่มีปัญญาทอเห่าว่าง อธิบายสินถ้ำกับว่าเธอเมื่อไหรมาคัดข้านกันลงกันจะพับโปรตุปมาคือเกลือถ้ามาชิปย้ำเลยแต่ว่าเข้มทําเก่าอยู่เมื่อไดร่คัดข้านว่ามันหวานจะเถื่อถึงสั่งว่าไม่รับไปกับเพิ่มห้องไปห้า ง, งวานเออ สร้างไว้แต่เพงิงสางค้นดีไวแต่เพงิงบุญเป็นที่เพิงของซั์ในโลกนีในโลกหนะและยางยิงคือปฏิภาณสำหรับล้งปูว่าเดี๋ยปารถธนาไน้พบหน่อยพบใหญ่เพราะมันผสมท้าหนะโสมบวชปารธนาพ้นทุกไม่อจากมเขือแก้เก็บตายอีกเคล็ดลับหมอมาทางหลังที่พานกองทุกข์มากขพออยายาหัวซักใส่คดีนินทน หม้อม nope. ังสซีไปทางหนาครเพาะอยากขอซักสักคิดิดนุ่นเดี๋ยววงแน่ปัจจุบันใช้นังห่มอยู่โดยรอบนี่ก็ับแบกนักกระโท่แบกแกแบกเก็บแบกตายอยู่บ่ไรว่างคุดกระอาคุดทั้งเวศบ่คุดเพิ่นของแกเก็บตายเทศดแตฟังอยู่งมั่มีกังเว้นกังคืน ควป่วยควบนอในสะกลละกายกระเทศให้ฟังย่บมีกังเว้นกังคืนกินเขา่าเข้าไปในท้องกับว่าแซบไปท้ายออกกั่กัเป็นกินเป็นชีเนี่ยหนึ่งเทศในฟังยิบชนะในสะกลละกายน้ำลายทมออกแล้วออกขืนมากินอีกกับว่าได้ยืนน้ำขวางสกปรกโสมมพ อ, อยาคิดตลาด เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาหลงเป็นธรรมดาทุกข์ขันละมันค่อยทุกข์ค่อยหลงมาแล้วมันก็ได้ถือว่าเป็นของวัสําคันจิตมันบางแล้วมันก็ถือว่าเป็นของสําคัญหมด่มกุ้นนอนจ่ายพออยู่ในหลุมทานเพิ่งเพิ่แก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายเพิ่แก่จิดแก่ใจเพิ่แก่คมหลงจะคลองเพิ่เค็ดค้นหละ เฮีวิสาเคตศลาบในวัาสงสารพระพุทธศาสนาเนี่ยหรว่าเฮียมวิสาเคตศลาบในวัตฏสงสา ร, ราสนานาคร า, ร ส, อาร ส, สอนของพระพุทธเจ้าได้ซัดทั้งหลายออกไปเป็นเครื่องเพื่นอนออกเป็นเปรย์เ ป, เ, ปเป็นเครื่องลืมตัวซื้อมีภูมิมาหมอบเงื่อนให้เต็มเป็นฝ่าเป็นดินหมอบทรัพย์สินสิ้งข้ามให้ สันเล่า เ, เา่าเบาบางเทากรสีด ย, ยังนี่ปัญหาของมันแก่เก็บตายคือร้องมาแล้วทุกขีร้งมาแลา้วอนาคตมันยังทุกข์ที่ประทัมาถึงวัจจุวันมันยังคือทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่ตอนนีเข็นมืออืองกับเบิงมือนี่ละเาแก่ข้อออกปองแปงป้งสีไปกินคือจังมือนี้ละไปทายทือจังมือนี้ละ ถกแดดกระหอดคือเกาจะไม่ยืนเดินนั่งนอนรับตือนนึนกคิดจือ้นเกาเลยละ่ะเข็นมืออื่นกับเบื้องมือนี่จะเข็นศาสนากับเบื้องศานสานี้จะเข็นศาสล่วงมาแล้วกับให้เบื้องศาสนี้ศาสนี้เป็นพยานจะเห็นมือว่านกัให้เบื้องมือนี่เข็นมือนี่กัให้เบื้องมือว่านมือเดียวกันนั่นแหละนี่จะมือกับแก น, นี่โลอันนี้ เงียบอยู่ถึงแต่กองทุกถึงสันพระพุทธเจ้าขามโลกเสียขามค้มหลงเจ้าของไปเสียว่ยินดีเพาอะไรขามไปแบบเย็นๆว่ามันขามไปด้วยโทษสะนายโลกลูกข้าตายอันนบโมมนตนายโลกหลัเบือเจ้าของอันหนนบุญโมเมน น, เนานนนโมมนนโยโทษสะตัวานายแบบเย็นๆนายสนายพบ เนียนายแบบเดีบค่ายแบบเย็ยนเย็นบกกระทบกระเทือนบวัว่ัวสามน้ำบุคุณเรือดพุ่มทองแท้พัป๋าโลกโดยแบบเย็ยนเย็นพัดป๋าใจหอดพอะดพี่ชนาแล้วเลียวไปใช้กามแต่กรองถูกเลียวไปใช้กามิตะลุ่มทานเพิ่มเพิ่งแกเพิ่งเก็บเพิ่งตายแทนข้อ y o u t u b ตัวซั์ ที่จะ n ่าเอามาเป็นอาหารของกิจของกยอยู่ก็อุปมาว่าเป็นบุญอยู่ในตัวอุปมาว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวอยู่ควมลงก็ค่อยถอยออกอยออกอยออกข่อออกวมจะค่อยลงมาเพิ่นมาจิตใจก็มีพุ่นคาที่ท่านเนี่ย่เป็นไม่ร่อยหน้าไม่เป็นเห้าเสือคาด เป็นคิ้วเป็นสถานีว่ามันเกินโคต้าไปว่ามันเกินเขตเกินแดนไม่ขอบไม่เขตจิตใจ่ายนคิดหลังสาหรับนอนหนัวงาบกับ่อนอนปากสาหรับกินของเบือกับพกินหูสําหรับฟังทิ้งที่ว่าเป็นประโยชน์กับพวกฟัง ดังสางรับดมทิ้งว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์กับพวอยากลมใจสางรับนึกคิดทิ้งว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์กับว่หควเอามานึกคิดอันเดียวกันแต่เพราะนีใจเป็นหัวหน้าเหมือนลนมือง น, นก็ได ในผ้ากันมอบกายถวายชีวิตตอ่อพระพุทธพรธรรมพระสงค์อยู่ทุกมือระลึกไ ด, ด้บุญไ ด, ด, ด, ด, ด้็ดีผูกขาดจองขาดยีเกี้ยกีุ้ทธ้ทั ง, ส, งาา ส, ATE, สั่งนังคาตาเสนติขณะฉันเตียป่ายะผู้มิ่งทหายมานุสังเทห่งเทวากายยังพริผู้เล็ดันติตีมุคคลผู้ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ เลิกไปท่านดินหนาสองแสนสี่มื่นหน่วการถึงพระพุธพระถ้ำผระสงค์เล็กล้มก่านั้นมามีอันไดใชมา ถ, ถอนออกได้ผู้ใดถือเลิกลวงปานนั่นแล้วื่อนั่นเขาโลกพุทธลัศษัท่าละศิลปมมีจะคอยมีเองท่านมามีจะคอยมีเองจักหมันเทียงไปสู่อันทุนเนล ใช่คนหนึ่งถามพระองค์เจ้าย่มขอน้อยไปในเมืองสัเก็บไปละว่างตงแต่รถแต่เรืออยู่ออร ถ, ร ถ, ร ถ, รถอาอมารถงวเขามาในทางสีแผงบาง้าสองแผงบาง้าลืมพาวนาพุทธโทษซะถ้าขอน้อยตายย่มนั่นจะไปเกิดไซ โอ้โหมันเป็นนิชันอกาะสำรับโตมันถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วว่าจะสงสายจะคือในจิตของโตแมนบอกว่าแบบแมนขอน้อยแล้วแต่หั่นรื้อเื้อนึกเป็นด่งข้าบังข้าวอุปมาคือไม้ต้นยันยัมันเนืองไปทั้งตะเวนออกแล้วเนืองไปท้งะเวนออกเหมไม้มว่าถึงว่าพุทธธรรมประสงค์คักแล้วบ่ถอนออก จิตใจเนี่ยถ้าเป็นบักเงียบไดมันก็ล่มไปท่างเกามันเห็หนละสันได้ขึ้นกันมันสิร้อนตายเงียบได้ก็ต้องไปสุขคติเพราะจิตใจถึงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์แล้วบริสงสไซบริถือผูดผีปีศาจโอ้โหโตก็มีเส้นหาประจำเร็ว น, นี่พระงองค์เจ้าโา้ยยังไง เมื่อยแล้วบางวันไหนก็ไม่แต่บนงเป็นตะเมื่อย <c oughs> จัสซียนน้ำหยังในโลกอันนี้นี่ตอนนี้เอาบามมันบทเทียงเฮดเพื่อด้กินได้ใส่เพื่อจะสร้างน้ำทัมบุญซื้อได้เมื่อมันวังเาสิมาเป็นเพเป็นผีมันวังสิยมาเป็นเศรษฐีมีมั่งเฝ่ายุนีลูกุ่ม้าคือเอาขี่ใต้ใส่พัก โมมันถกินขี่ไก่กินพักผุนสันนด้คือกันอยู่ในวัตตาสงสารเนี่ยโมมันอยู่เพื่อห ว, วังสิติดอยู่พ่อใด้ทซับซ่า อ, อกพ่อใดญสางนับถ้าบุญจะซื้อคือได้เป็นเจ้าโลกเมื่อผู้เปลี่ยนได้นักเชียกับว่ได้เปลี่ยนไมริดกากับว่าได้เป็ น, น กินกับว่าได้เป็นมีตะโคบโมมันบะเทียงหันละมีตะโคบตายหันละเป็นเจ้าโลกยืดเดือ น, นโลกนี่โมเมนทั้งไพ่เมื่อกำลังลรากับแบมือไปแป้นแซงคือการหันละส่วนบาป บ, บุญเจ้าแม่ท้องไผ่ห้องมันที่สร้างไว้เป็นของไพ่หน่อโมเมนอันนี้ว่าห้าได้กินอันนี้ว่าห้าได้ท่านโมเมนท้องโต ทั้งสซมทั้งพ่อมาเพราะในพอหน้าพุทโธหอมพ่มหายใจเขาออกเนมนั่งกระด่ายเนี่นอนกระด่ายสีนั่งพรเพียบกระตามสีนั่งขับชมาศที่กระตามสีนอนแต่แค้นส้าวัวกระตามสีนั่งร้ายกระตามไหนรับข้าพุทโธหันละถ้าโม่กับยุนังกัดก็กพุทโธหันละพระพุทโธสีท่าไปมะผลในผ้าอ่อดพุทโทอยู่ในคิดในใจฮัน ข้โมก็เยอะในหันละข้าโคก็เยอในหันละว่าอักว์ย่อที่ซื้อดอกก็พุทโธเลนที่นี่ขอวัดวัดจิตวัดใจเป็นอาหารพระพุทธเจ้าก็สอนโน้ผ้ามาเกิดมาแกมาเก็บมาตายพระพุทธเจ้าสิจะผ้าเขาสู้พระนิพพานถึงเลยนลกถึงคุณเพินอัปมาโนพุทโธคุณนพ่าพระพุทธเจ้ามีประมาณ ผู้ใดมีปัญญาหน่อยก็เห็นน่อยผู้ใดมีปัญญาร้ายก็เห็นร้ายผู้ใดมีเสือกสันกับึงได้ไก่ผู้ใดมีเสือกเน่ากับึงได้ไกลผู้ใดสายตาสันกับมองได้ไก่ผู้ใดสายตาเน่ากับมองได้ไก่แค่นี้ก็ดีคุณพระพุทธเจ้าผมมีประมาทถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมืองตืนเขินมากไปสร้างนาบไสร้างยูสร้างกินก็ดี พระคันกาบสามที่พุโทโธัมโมสังโภสะก่อนก็ค่อยไปบัตตินอนทีรับก็คือกันไปในรถในเรื่องพระคันพาวะนาพุโทโธจะโมไข่พบอันหัรจำโมไขา่ภพท่านอันห่ายเป็นไหวจะกําเก่าที่ใดสางไหวอีดีนั่นเป็นส่วนหนึ่งกําไม้ที่มากรอไม้นี่ บ, บ๊อบมาดอก ยิ่พุโทโธเจ้ามาบริกรรมแล้วไหวพุโทโธไขบ่บมีรักนี้แล้วโมได้วาอยู่ในจิตในใจห่อหันบะมีอิสระสื่อสามยสามควมดีก็ได้ถ้าาไม้บุญเร็จดยการบริจักท่าศีลไม้บุญสเร็จดยการนะครับศีลภาวนาไม้บุญสำเร็จยการเเลภาวนา มันก็มีแสามปักตู่ปกตู่ใหญ่ๆ ข, ขาดขาดขานเกิดศาสตร์นานมันเป็นคนจนมันาตรขาดศีลเกิดศาสตร์นานมันตายง่ายนันอายุสั้นโธที่ตายง่ายคือขาดรักษาศีลทะเลาะตายด้วยอันอ น, อนี้ก็ะไดเพราะินแต่ศาสตรกมันครบสมบูรณ์ ข้าพาวานาเขามาตัวไปทางใดมันก็มาเสือเสือชานามาถิ่นเมื่อใดท่านสินพาวานาต่างเหตุต่างถ้ำเป็นครูกับอายุทําบุญคู่อายุถ้าถ้ำบาปก็เรียกว่าทําบาปคู่อายุขึ้นกันนะถ้าถ้าบุญก็เรียกว่าทําบุญสรงอายุขึ้กันะต่ออายุของบุญ คนห้าวถ้ำบุญคนห้าวถ้ำบาปเ็เรียกว่าโตอายุของบาปคนเ้ามาถึงถ้ำบุญโตอายุยื่เุมอแหละมุขคนผู้ถือพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์แนวๆเลยเขาเรียกว่าถ้ำบุญโตอายุของบุญยืนเสมอนั่เป็นอันหนึ่งกันนึงเอาเป็นที่เพิงที่เล็กที่ปฏิปฏิบูรษาอยู่ทุกเมือตามสิตติกำลังของเจ้าของชัท่ากันับมื่อสิก้ากันไป ้าเหินจากพูดโทษไปแล้วศรัทธานับผู้สิจมลงอุป ม, มากระตานับหมื่นสี่บอดลงโบเห็นหูงทางในตาบอดทางนอกมันกับว่าเป็นปัญหาปันใดหดอกแต่ของโบเห็นหูงในส่วนทางในของสําคั้นตาในตาปัญญาสรัทธาควบเสือในพระคุณพระธรรมประสงค์ วิทย์ควมเพียนพิจนาในระลึกถึงในประพุทธธรรมประงสงค์สติควบระลึกได้ในพระพุทธธรรมประงสงค์สมาธิควมจังมันอยู่ในพระพุธปรรมประงสงค์ในกิณีใจปัญญาควาบหลอดรูอยู่ในพระพุธปรรมประงสงค์ใน่านในศีลในภาวนาด้วยเป็นก่องทับถ้มสมดุลกหมอนนุ่ยเป็นเสื้อสีเกียวหาเกี่ยวเทาเกี่ยวกับมนคามกันพานเขาเป็นเกี่ยวเดียวหันละ ชาไม่บ <étique> ุญชำรการบริจาคท่านนี <salud> ่เป็นบุญกองหนึ่งีไม่บุญระด้การรักษาศีนี่ก็เป็นบุญกองหนึ่งภาวนาไม่บชเรด้วยกานเจริญภาวนานี่ก็เป็นบุญกองหนึ่งอจายะไมบุญาเรจด้วยการทอมตนแก่ผู้ใหญ่บตรเสมออันนี้ก็เป็นบุญกองหนึ่งปฏิท่าณไม่บุําเระด้วยการให้ท่าน ถ้าบุญแล้วอุทิศหาสัาายกกาา พ, พ ย, ยะะ์ทั้งหลายเท่าทั้งใจโลกทาต่อุทิศหาพอฮะแมู่้มหายตายไปสุปะโลกทั้งน้าก็ดีการอุทิศกุศลพ้บุญหาผู้ที่ร่วงรับดับขันไปแล้ ว, ท, ว ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทั้งแม่วกก่าบุญเขาเท่ท่อเม็เข่า่าเขาที่อุทิศใจถึงใจโลกทาตคก็้มันกระแหงได้ร้ายบ่ได้มืดองเจ้าพลางสั่บุญเขาไม่หน่อยๆเลยแต่อุทิศหาเท่ทั้งใจโลกทาตท่านชาเป็นพวกนีบุญหลายมันถือ่ามืดกว่าพระองค์้ว่ พาโนนประกาศทุนพูมิว่ามันแห้งได้หลายแงได้หลายทาวีบริมวัดประสาย่ยยาว่าจะไม่บุตรชลบุรีโดยการช่วยคนปล่ยในคิดที่สอบคิดทุระใ น, น, นที่มันสอบห้ว ก, ก็ทํานูจะเป็นบุญกองหนึ่งทัทิิท่านนะไมมบุตรชลาเรีโดยการหายซ่นบุญว่ามาแล้วคงนึง ปัตตาโนโมทนาไม่บุญสังเกตุการอนุโมทนาส่วนบุญหนึ่งยินเพิ่นสร้างบุญสางท่านท่าบ่มีอามิตรบ่มีเงินมีข้ามไปเพาะไปโม่เขาก็นึกคิดได้คิดได้ใจว่าสาธุผู้ขายรับส่วนนั่มเขาเรียกว่าปฏิท่าหน้าไม้คือกันเป็นบุญกองนึ่งเรียวกว่า เ, เรียกว่าปัตตานุโมทนาไม่เป็นบุญกองนึงอีกธรรมาเทศนาไม่ เพศสร้างซ้อนลูกเต่าร้านเนลนกระซัวประพฤติดีมันก็เป็นบุญกองนึงอันนี้ก็ได้ธรรมัดสวระค์ไ ม, มการสร้างถ้ำตามการตามเวลานี่ก็เป็นบุญกองนึงเป็นบุญปกตูนึงยางพิสดารทิฏฐุชุกกรรมการทําความเห็นไห้กงเห็นว่าบาดมี่บุญมี่เห็นว่ามักผลนิพ่านมี เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มิคุณครูว่าอาจารย์มิท่านดีได้ดีท่านซัวได้ซัวท่าบาปเป็นบาปท่บุญในบุญนี่เรียกว่าทิฏฐุชุสามการท่านความเห็นในกรุงทําเป็นจริงอันนี้ก็เป็นบุญกองหนึ่งไงบุญย่าพิษดานมิซิบกองอันนี้ซิบกองก็ดีบุญสามกองท่านน้ำไม้ซีน้ำไม้พ่อวันน้ำไม้ก็ดีก็ะยนเขาว่าเป็นกองเดียวนี่ในหัวใจนี่สร้างพอใจเป็นผู้พาถ้ำ สัพพะบาปกัยนน้องมากยุ่งก็ห้อยใจนี่นใจเป็นผู้พารรำสัพพะบุญกัยดน้องมากยุ่งห้อยใจนี่สร้างขึนนัพ้ในผานกัยนน้องมาหนีเมดคุณวัพระถ้ำผสมกัยดน์ลงมานีเม ด, า ม, ด, ม, า ม, ดมาอยู่กับพญายิ่งเจริญนี่ทุกข์ทเฮ็ดหัวสัน่นเอารอดถ้ากันฮักภาวนาะของพระร่มหายใจเขาออก แม้สุภาพขัดกรรจารักทรัพย์ทรัพยานอนจะซื้อนิยมนอนก็ดายพ่อหน้าผุ้โทษผูโทษไปหมันนอ่นรับค่ากันมันจังบ่ฟันห่างมันจังบ่ฟันเห็นผูดผีปีศาจยังบ่ได้ฟันเป็นอันตรายฟันไปกับเห็นถึงจ้พระเจ้าประสงค์เห็นทุกคนผู้หูผู้ดีว่าเห็นอันตรายอันชั่วห่างรับค่าพาอหน้าพุ้โทษ ไปรถไปเลือกับคู่กันแล้วไปนั่งอยู่ซื้อไปพ่อวนาพุทธโทนั่ไปป้ามาเมืองคำมือกับคู่กันคุณพอ่อคุณแม่คุณคููบาอาจารย์คุณแก่สาประการคุณไหนๆหน่วมขึ้นไปไปรวมไปรวมอยู่ในคุณพุทธโธคุณพุทธโธไปรวมอยู่คุณพระเนปาน งามไลย่วงที่ตาบวกับหลังนุไประห้มอยู่มาหาสมุทรอินเดียท่านนี้นนก็คือกันสล้พคุ้นทั้งปวงไร้ข้นเนือแต่หม้มคุ้นพอ่อคุ้นแม่คุ้นคู่บ่าอาจารย์แต่ห้มู่คุ้มคุ้นของผูทโท้โชธรมโมทังโคข้อของว่าเป็นอักษรหย่าว่าแต้พผู้โชซื้อเพราะป็นจริงธรมโมทั้งโคกายนักกนั คุณของพุธทธโตธรมโสังโฆไปรวมอยู่ในคุณไปรวมอยู่ในคุณภายในผ่านมันที่สุดทุกไหลขึ้นเหนื้อหนามไรต้องตำนี่ไหลขึ้นเหนื อ, นอนนเวลาดไม่น้อยเวลาของมนุษย์โลกสั่วหาสิบหกสิบปีสั่วร้อยปีกับวัท้อวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในสันดาวบดึงซ่อม ลอยปีในสันดาวดึงจังคอยพอวันหนึ่งคืนหนึ่งในสันยาม่ารลอยมือรลอยคลืนในสันยาม่าจะค่อยทอวันหนึ่งคืนหนึ่งในสันนุซิตารลอยมือลอยคืนในสันทุซิตาจึงไปทอวันหนึ่งคืนหนึ่งในนิมมานาวตีรลอยมือรลอยคลืนในนิมมา oriented, มน า, นมมาวตีจังค่อยไปทอ วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยประนิมมิตรวะสาวัตตีลอยมือลอยขึ้นในประนิมมิตรวะสาวัตตีจึงเปลี่ยนวันหนึ่งคืนหนึ่งในพโมปริสัชชาพวกไปพโมประนสัชชาเลยพวกกระโดดพอกนาเนี่ยอยมือลอยขึ้นในพโมปริสัชชาจึงเป็นวันหนึ่งคืหนหนึ่งในพโมประนิหิตา เดือนก็คูณเดือนปีก็คูณปีขึ้นไปนี่ว่าแต่มือนเชื่อเลยลอยมือลอยคลื่นเลยพรมาปริฏตาจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งเลยสั่นปริตตาผ้าลอยมือลอยคลื่นเลยปริตตาผ้าจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งเลยอปปมาณาผ้าลอยหมือลอยคลืนเลยอปปมาณาผ้าจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งเลยส่วนอปปมาอาพัสละ ลอยมือลอยืึ้นในอภัทธาได้จึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในปฏิตัศุภาหน่อยมือลอยขนในปฏิตัศุภาจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในอัปมาณะสุภาน่อยมือลอยขึนในอัปมาณะสุภาจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในสุภกินทะกาน่อยมือลอยืึ้นในสุภกินทะกา จึงเป็นว <c oughs> ันหนึ่งขึ้นหนึ่งในอสัญญาสตาลอยมือลอยขื้นในวันในอสัญญาตาจึงเป็นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในสันเวหัพะราลอยมือลอยขึนในเวหัพพาราจึงเป็นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในสันทุษฎาลอยมือลอยคืนในสันทุษาจึงเป็นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในสันทุษสี ลอยมื่นลอยพือนในสันทุสตีจึงเป็นวันหนึ่งคือหนึ่งในสันอา ก, าากาิทักกาคนจะผ่านไปจากนั้นพรานิมานนนักประมาณว่าอะไรมันอ่บนสีนักสิบหกเนี่ยยังอีกยุสีสันอีกอายุอแปดนี่มันแปดมืนสี่พันครับ คือเบื้งป่านนั่นทอฮานี่ซัดทั้งหลายไปยอะสั้นนั่นมีอายุยืนทั้งป่านอย่างยังโมันบะเทียงยังในลงมาอยู่ยังใพัดเวียนรักพัดถวิงอยู่เปลี่ยนพรนิพพานบนเดียวเสียนะเป็นนะัส่วนมรหกกับขุนมันคือกันเลยคุนคือกันตบสั่นสวรรค์เลยคุนคือกันเพราะมันไมน่มีายนวมันไม่มีายสัย่นมรหกกระบ ก็พอม่น้เนอะ